ให้พวกเราทั้งหลายเอาทานประดับจิตเอาศีลประดับจิตเอาภาวนาประดับจิตเอาสมถกรรมฐานประดับจิตเอาวิปัสสนากรรมฐานประดับจิตแล้วให้พากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ประดับจิตถ้าจิตของเราดี ไม่ต้องสงสัยว่าจะไปไหนไปสุขติแน่นอนตามฐานะตามกําลังของวัดปฏิบัตินั่นแหละหลวงปู่เพ่งพุทธธรรมู เราเคยได้ยินได้ฟังกันมานานธรรมะเนี่ยเราจะจบกันที่ตรงไหนดีหรือจะไม่มีที่จบเลยเราจะได้แต่ฟังได้แต่อ่านได้แต่ซักถามเราจะทำกันเพียงแค่นี้หรือเราจะไม่ลงมือปฏิบัติให้เป็นที่จบของธรรมะเลยครับการอ่านก็ดีการฟังก็ดีก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นแนวทางของการปฏิบัติ แต่ว่าเราจะเป็นเพียงแค่รู้ธรรมะเท่านั้นพูดได้สนทนาได้สอนได้อันนี้คือรู้ธรรมะแต่ถ้าเรายังไม่มีการปฏิบัติเนี่ยถ้าก็ว่าเราไม่มีธรรมะนะรู้ธรรมะกับมีธรรมะเนี่ยต่างกันเราได้อ่านได้ฟังมานานแล้วก็ถือว่าเป็นแผนที่เป็นแผนที่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ ก็ยังไม่มีการเดินทางได้แต่มีแต่แผนที่ไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือเดินทางอันนี้ก็ดีอยู่จะเห็นว่าการฟังการอ่านยังดับทุกไม่ได้ดับได้เป็นบางทุกทุกน้อยๆพอทำใจได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติไม่ได้เริ่มต้นเดินทางเนี่ยเราเห็นว่า ทุกบางอย่างที่ยังค้างคาใจเราอยู่เนี่ยยังมีอีกเยอะสังเกต ด, ดูเนี่ยเวลาเรากระทบอารมณ์จะเป็นทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจคือความนกคิดอารมณ์เหล่าเนี้ยบางทีมันทําให้เราหวั่นไหวยังเป็นทุกอยู่ยังหงุดหงิดอึดอัดประวนกระวายใจอยู่สรุปแล้วคือเรายังทําใจไม่ได้ กับสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นอันนี้แสดงว่าเรายังขาดการปฏิบัติอยู่บาิทีอาจจะได้แค่ทํานิดหน่อยยังไม่ค่อยจะต่อนเนื่องเนี่ยผลการปฏิบัติจึงไม่ชัดเจนภายในจิตใจเราเพราะฉะนั้นฟังก็ดีอ่านก็ดีพูดคุยก็ดีเราก็ต้องมีการปฏิบัติตามไป ด, ด้วยอย่างเดียวเนี้ยขณะเนี้ยเราสามารถ ปฏิบัติทำได้ทันทีเลย็นการเจริญสติขณะนี้ทันทีเลยอย่างเช่นว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอยา่างที่เราจะต้องมีสติไปร่วมรู้สึกตัวไปกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างเช่นว่าเนี่ยการขับรถเนี่ยเดี๋ยวนี้คนส่วนมากก็มีรถยนต์ไม่มีรถยนต์ก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ล่ะไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็จักรยาน ผมเองยังมีรถเข็นเลยเพราะด้านการขับรถแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องมีสตนะิก่อนที่จะสตาร์ทให้รู้ทันว่าปลดเกียร์ว่างหรือ ย, ยางอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีสติก่อนแดีวเราก็ขับรถ ด, ด้วยสติควบคุมกายควบคุมจิตใจสติเป็นผู้ควบคุมเราขับรถไปอาจจะมีเสียงแตรดังมาข้างหลังในะ เสียงแกลลดังปั๊บเราดูใจเราสิมีสติดูใจเราว่าใจเราหงุดหงิดไหมสมักเสียงแกลล์จะมีอิทธิพลกับจิตใจเรามากบางที่เรามีความหงุดหงิดไม่พอใจเรามีสติรู้ทันในอาการเหล่านั้นอย่าเข้าไปเป็นกับความทุกข์กับความหงุดหงิดในจิตใจแม้ว่าผู้ขับรถคนอื่นอาจจะแซงซ้ายแซงขวาปาดซ้า ย, าาายปาดขวาเราอาจจะไม่พอใจเราก็ต้องมีสติรู้ให้ทันใจเรา รู้เอาไว้เฉยๆติดไฟแดงติดสีแยกหรือมีรถติดมากมายก็สังเกตที่ใจเรามันจะเกิดที่ใจเรานะความกุหงิตพยายามให้มีสติรู้อยู่ตรงนั้นแลว้วอาการกุญงิตนั้นก็จะหายไปอย่าไปคิดปรุงแต่งต่อเติมเดี๋ยวมันจะทุกข์มากกว่านี้หรือบุงทีอาจจะอยู่ที่บ้านอยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับใจเราเนี่ยอาจจะมีความทุกข์เวทนา ความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ย่อมมีขึ้นกับพวกทุกคนเป็นเรื่องธรรมชาติความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยปวดนิ้วปวดมือได้รับอุบัติเหตุนีก็ต้องมีสติรู้ทันมันรู้ซิว่าทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไหมสังเกต ด, ดูดูใจเราก็ได้ถ้าใจเราไม่ทุกข์แล้วก็เนี่ยแสดงว่าเราไม่แบกโลกเอาไว้ไม่แบกโลกของทุกขเวทนาไว้เป็นเพียงแค่ผู้ดู ทุกขเวทนานี่เราเจริญสติได้ทันทีเลยในปัจจุบันแม้บางครั้งอาจจะมีคนรอบตัวคนใกล้ตัวเราอันนี้แหละเราต้องอยู่ร่วมกันหรือทำงานด้วยกันคอยสังเกตดูใจเราบ้างอย่าไปดูใจคนอื่นดูใจเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องดูตัวเราให้มากแล้วก็ดูคนอื่นบ้างสังเกตดูใจเราบางทีคนใกล้ตัวเรา เขาอาจจะโกรธหรือหงุดหงิดใส่เราเนี่ยมีความไม่พอใจเราเอาความโกรธมาใส่เราเราทําอย่างไรเราต้องมีสติรู้ทันอาการที่มันหงุดหงิดที่ไม่พอใจเขาเนี่ยบางทีเราไม่พอใจเขาเนล้วโกรธเขาโกรธตอบเลยเราต้องมีสติดูที่ใจเราก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรถ้าเขาโกรธเราเรากโกรธตอบเนี่ย แสดงว่าเราเนี่ยรับมุกความโกรธของเขาเข้ามาสู่จิตใจเราแล้วรับกิเลสเขาเต็มที่เลยรับมุกเข้ามาเต็มที่เลยอันเนี้ยทาให้ใจเราเป็นทุกข์เราต้องพยายามตั้งสติให้ได้รักษาใจเราให้เป็นปกติเมื่อเขาโกรธเราต้องไม่โกรธตอบเราหักมุกกิเลส ข, ของเขาทันทีเลยให้เป็นผู้ดูซะบ้างอย่าไปโกรธตอบการโกรธตอบไปกับอารมณ์ต่า ง, างเนี่ยเท่ากับเราแบกโลกเอาไป ลอลิงสลาโอกอกาแบโลกโลกคืออารมณ์ที่มากระทบจิตใจเราจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีอันนี้คือโลกถ้าเรามีสติเข้าไปรู้เท่าทานอารมณ์ต่อนนั้นเป็นผู้ดูเนี่ยอันนี้หละ่ะเราก็เป็นผู้ดูโลกแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นกับอารมณ์ต่างๆหงดหงิ ด, งดปิดอัดคัดเครื่องเนี่ย หดเนื่อหมดตัวไปกับอารมณ์ถ้่ากับว่าเราแบกโลกไว้ทั้งโลกแล้วแบกโลกคือแบกอารมณ์แบกความทุกข์ชีวิตก็จะเหน็ดเหนื่อยหาความสุขในชีวิตไม่ได้เราจงใช้ชีวิตแบบดูโลกซะบ้างเดี๋ยวไปจัดการกับโลกจนทั้งเราต้องเหน็ดเหนื่อยบางครั้งเราต้องไม่เกี่ยวข้องไม่จะเป็นต้องเกี่ยวข้องเราก็ดูเราก็รู้ไว้เฉยๆแต่ถ้าเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ด้วยความรู้สึกตัวเป็นการรักษาใจเราไม่เป็นทุกเห็น ไ, ไหมเรามีสติประดับจิตประดับใจนี่แหละถือว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าสู่ทั้งหลายเธอจงมาดูโลกนี้อันวิกิจงดงามจากการตาดุดราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่เห็น ไ, ไหมเนี่ยถ้าเรา ได้รับกระทบอารมณ์ยินดียินร้ายแต่ถ้าเราขาดสติเข้าไปเป็นทุกข์กับอารมณ์เหล่านั้นถ้าก็ว่าเราเป็นคนข่าวเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ายังหมกบุ่นอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นทั้งยินดียินร้ายเรายังข่าวอยู่แต่ถ้าว่าเรามีจิตใจที่กระทบอารมณ์พอใจไม่พอใจมีความสุขความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติรู้ไว้เฉยๆเป็นผู้ดูไว้ อันนี้แหละถือว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยผู้ดูผู้รู้เราไม่ต้องไปแบกโลกอันนี้คือสบายเลยไม่ใช่เป็นคนเกาเป็นผู้ดูโลกที่เราไม่ได้ไปหมกอยู่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นเพียงแต่แค่รู้ไว้เฉยๆเป็นผู้ดูเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราหนีไม่พ้นเรื่องอารมณ์ต่างๆ ความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายหรือจิตใฉยๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็สแสวงหาไปทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองอันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ภายนอกเราต้องสแสวงหาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเราสแสวงหาทรัพย์ภายนอกแล้วอย่าลืมที่จะสแสวงหาทรัพย์ภายในเอามาประับจิตประดับใจของเราทรัพย์ภายนอกคืออะไรคือทรัพย์สินเงินทอง ทรัพย์ภายในคือธรรมะทรัพย์ภายในคือสติคือปัญญาทรัพย์ภายนอกหาไว้แล้วอาจจะถูกเข้หยิบเขายืมก็ได้หรืออาจจะถูกลักขโมยก็ได้แต่ทรัพย์ภายในเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เนี่ยใครขอยืมก็ไม่ได้ไม่มีใครขอยืมสติเราไปใช้เลยไม่มีเขอยืมสติเอาไปได้แต่ถ้าเงินทอนเราก็ขอยืมกันได้ แต่สติหรือธรรมะเนี่ยใครขยืมไม่ได้ใครทําะไรได้เป็นทรัพย์ที่ถูกขโมยไม่ได้ด้วยติดตัวเราไปทั้งพบนี้แล้วก็พบหน้าเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราหาทั้งทรัพย์ภายในแล้วก็ทรัพย์ภายนอกในขณะเดียวกันเลยคือการมีสติในการหาสตางค์เกืือกูเราทั้งสองอย่างเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดความไม่ประมาทก็คือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั่นเอง